หมายของการศึกษาของการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจพระองค์พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุงทรงค้นพบว่านาติสันติปรังสุ ข, ขัง ไม่มีความสุขการใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดความสุขอื่นๆในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปเช่นความสุขที่ได้จากการหยุดสี่วันในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตอนนี้หายไปหมดแล้วตอนนี้ต้องมาทุก์กับการจากทาการทำงานหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อความสุข กันในรอบหน้าคือช่วงตุดจีนอนนี่คือลักษณะของความสุขที่ชาวโลกหากันหานความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัหาได้มากหาได้น้อยเดี๋ยวมันก็หายไปหมดเพราะนี่คือธรรมชาติของความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มันเป็นอนิจจังไม่จีรังทาวรเป็นอนัตตาไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันจีรังทาวรได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดมันก็เกิดทุกขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ในใจขึ้นม า, าถามพวกที่ไปเที่ยวสี่วันเนี่ยตอนนี้เป็นยังไง รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ตอนนี้ต้องมาทุกกับ ก, บการหาเงินใหม่อีกแล้วต้องกลับมาทํางานทําการหาเงินหาทองความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวสี่วันนี้หายไปหมดเลยแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะไม่เป็นแบบนี้ถ้าได้มา ยึดครบถ้วนบริบูรณ์จะอยู่กับใจไปตลอดแต่ในเบื้องต้นก็ต้องสะสมสร้างขึ้นมาเหมือนเติมน้ําให้มันเต็มตุ่มแต่น้ํานี้พอเต็มตุ่มแล้วน้ําน้ําจะไม่รั่วจะไม่หายจะเต็มตุ่มอยู่เสมอไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่ เติมเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวน้ําก็พร่องหายไปหมดเพราะตุ่มน้ําที่ลองรับความสุขทางโลกนี้มันมีรอยรั่วต่อให้เติมน้ำเข้าไปเต็มกี่ครั้งก็ตามเดี๋ยวน้ําในตุ่มก็จะซึมไหลออกมาหมดนี่คือลักษณะของความสุขทางธรรมกับความสุขทางโลกต่างกันตรงที่ มันถาวรกับไม่ถาวรความสุขทางธรรมเป็นความสุขที่ถาวรความสุขทางโลกเป็นความสุขประเดียวประดาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอเวลามันหมดก็เหลือแต่ความทุกข์ความขมขื่นความเศร้าโศกเสียใจความเหงาความว้าเหวต่างๆ พระพุทธเจ้าก็เคยสัมผัสกับความสุขทางโลกมาก่อนแต่ทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอยู่เสมอจึงไม่ปรารถนาอยากจะหาความสุขแบบที่จิรังถาวรจึงออกไปศึกษาไปบวชไปอยู่กับพวกนักบวชเพราะพวกนักบวชเป็นผู้ที่ แสวงหาความสุขที่ถาวรนฮะแสวงหาความสุขทางใจแล้วหลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติตอนขั้นที่ศึกษาจากนักบวช ท, ทั้งหลายก็ได้พบวิธีค้นหาความสุขทางใจที่ยังไม่ถาวอน ที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่คือความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่เปความสุขชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็หายไปจึง อยากจะหาวิธีที่จะทำให้ความสุขที่ได้จากสมาธินี้ไม่หายไปไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปไหนก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ความสุขที่ได้จากสมาธินั้นคงอยู่ต่อไปพระองค์เลยต้องไปค้นคว้าด้วยพระองค์เองทดลองผิดทดลองถูกอยู่ระยะหนึ่ง ในที่สุดก็ท่งค้นพบวิธีที่จะรักษาความสงบของใจที่ได้จากสมาธิให้คงอยู่ไปตลอดก็ท่งค้นพบว่าสิ่งที่มาทำลายความสงบของสมาธิเวลาที่ออกจากสมาธิก็คือตันหาความอยากเนี่งความอยากสามประการด้วยกัน คือหนึ่งกาะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทปะสองภวะตันหาความอยากมีอยากเป็น ต, ตอนนี้กำลังอยากเป็นสอสอกันมเมื่อเช้านี้ก็โชคดีได้เจอผู้สมัครสอสคนหนึ่งมาขอให้นั่งรถหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลไม่รู้จะได้รับเลือก็เปล่าไว้รู้ อยากแค่ขับรถขึ้นมาส่งไปรับที่กุฏิข้างล่างขอให้ช่วยนั่งรถหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลบอกว่าเดี๋ยวกำลังตอนนี้กำลังสมัครเป็นสอสออยูนะ่ก็ขอให้ได้ได้เดี๋ยวก็หมดได้กี่ปีอย่างมากก็สี่ปีเดี๋ยวก็ต้องเลือกกันใหม่อันะนี้คือ ความอยากเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ใจสั่นใจไม่สงบความอยากชนิดที่สองนี้เราเรียกว่าภาวะตัณหาอยากเป็นเป็นคนธรรมดาสามันไม่มีความสุขคิดว่าถ้าเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้รับเลือกใหม่ แล้วพอเข้าไปทำงานก็มีเรื่องปวดหัวให้ปวดหัวแล้วพอเวลาที่พ้นจากตำแหน่งไปก็ทาให้รู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาตามมานี่คือภาวะตัณหาและข้อที่สามความอยากชนิดที่สามคือวิภาวะตัณหาความอยากไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่อยากได้ความข้หานินทาไม่อยากให้ใครเขาด่าเขาว่าเราไม่อยากให้ใครเขาดูถูกเหยียดหยามเราไม่อยากยากจนไม่อยากทุกข์ยากลำบากหรือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่ก็เป็นความอยากอีงตัวหนึ่งที่ทำให้ใจไม่สงบ เวลาเจอความแก่เป็นยังไงผมหงอกขึ้นมานี้ใจสงบไหมเย็นสบายไหมกังวล น, น ะ, ะจะทำยังไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจรู้สึกอย่างไรวุ่นวายไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหรือเปล่ายิ่งทำหม อ, อทำนายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย รับรองได้ว่ากินไม่น้กินไม่ได้นอนไม่หลับหลายวันนะนี่เรียกว่าความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองความอยากไม่เป็นโรคมะเร็งแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายนี่แหละคือความอยากสามประการด้วยกันลองปฏิบัติ ด, ดูถึงแม้จะมีสมาธิเนี่ย พอออกจากสมาธิมาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งดูสิว่าจะกลับไปนั่งสมาธิต่อได้หรือเปล่ากว่าจะนั่งได้ก็คงอยาจะเห่ยขึ้นคออืเหนื่อยต้องต่อสู้กับความวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆนี่แหละคือเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบหลังจากที่ออกจากสมาธิพระพุทธเจ้าก็เลย ค้นหาวิธีว่าจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้อย่างไรก็ส่งค้นพบธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยงเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันเที่ยงอยากจะควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะต้องเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่ไปไปอยากให้เขา จีรังถาวรไม่อยากให้เขา อ, อยู่ภายใต้ความต้องการของเราคืออย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปรูปเสียงเกียรนรดถึงแม้ว่ามันจะสนุกจะสนานแต่มันก็เป็นความสุขความสนานชั่วคราวเท่านั้นซู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าใช้สติระงับความอยากดีกว่าหยุดความอยากหยุดความคิด ั น, นี่คือในที่สุดพระองค์ก็ทรงเห็นว่าต้องมองอความไม่ดีความทุกข์ของสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต้องให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ เวลาเราได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้เราต้องคิดถึงเวลาที่เขาจากเราไปเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรือเราไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปเที่ยวมาสี่วันปีใหม่เดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วสิ่งที่หายไปด้วยก็เงินทอง แตอนนี้ที่ทําให้ทุกข์เพราะเงินทองหมดไม่มีเงินทองก็อยู่ลําบากก็ต้องไปทุกข์กับการหาเงินหาทองนี่คือให้ใช้เหตุดูด้วยความเป็นจริงว่าถ้าเราไปอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสอยากกับมิอยากกับการเป็นนั่นเป็นนี่หรืออยากกับการไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะทําให้ใจเราวุ่นวาย ชู้หยุดความอยากดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าอยู่กับความสงบตอนที่เราอยู่ในสมาธิไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็กลับเข้าไปในสมาธิดีกว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วหยุดมันไม่ได้ก็ใช้สมาธิช่วยหยุดมันอย่าไปทําตามความอยากอย่าไปสมัครสอรสออย่าไปอยากเป็นนั่นเป็นนี่ กลับไปเข้าสมาธิดีกว่านี่คือวิธีที่จะทำให้ความอยากต่างๆหมดสิ้นไปถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเช่นดูคนที่อยากจะสูบอยากเลิกสูบบุหรี่ทำยังไงก็ต้องไม่สูบทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบทีนี้ที่เขา หยุดไม่ได้ก็เพราะว่ามันทรมานใจเวลาอยากสูบบุหรี่แล้วไม่สูบนี่มันทรมานใจแต่ถ้าเขารู้จักวิธีเข้าสมาธิเขาจะหยุดความทรมานใจได้นี่นี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในการที่จะสู้กับความอยากต่างๆต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิ เกิดความอยากขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องยกธงขาวยอมแพ้ต้องทำตามความอยากต่อไปถ้าทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะไม่มีวันหายไม่มีวันหมดพอมันอยากแล้วอยากได้มวนนี้พอสูบมวนนี้แล้วเดี๋ยวสักพักก็อยากสูบมวลใหม่อีกแต่ถ้าเวลาที่อยากจะสูบอเลยแล้ว ใช้สติใช้สมาธิหยุดมันหยุดความอยากใจสัน่นไปนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิได้ใจจะหายสัน่นจิตพอใจสงบใจก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาก็เลยมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการสูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ทำอย่างนี้ไป แล้วกำลังของความอยากที่จะสูบบุหรี่มันจะอ่อนลงอ่อนลงแล้วไม่นานมันหายไปรับรองได้ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้มันก็เลิกได้เลิกได้อย่างถาวรทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่แล้วไม่ไปสูบมันที่เลิกไม่ได้เพราะว่าไม่มีเครื่องมือมาช่วยบรรเทาความกวนกวายกระสับกระส่ายนี่เอง จึงทนไม่ไหวเลยต้องยอมแพ้ต้องไปสูบเลยต่อหรืออย่างอื่นก็ได้ที่ติดสุราก็ได้สมัยนี้ที่ต่างประเทศประเทศที่เจริญเขากลับไปติดยาแก้ปวดกันเพราะที่นั่นเขาไม่ชอบความเจ็บปวดก็เลยคิดค้นหาวิธีระงับความปวดด้วยยา ชนิดต่างๆที่เป็นเป็นเหมือนยาเสพติดเพราะยาพวกนี้มันมีสารเสพติดเหมือนกับฝิ่นกัญชาเฮโรอีนพอไปกินยาพวกนี้มันก็ระงับความปวดได้แต่มันก็ไปทำให้ติดยาพวกนี้เข้าพอเวลาอยากกินยาขึ้นมาไม่ได้กินยาก็เหมือนคนที่ติดบุหรี่ติดยาเสพติด ก็ต้องกินยิ่งกินก็ยิ่งติดยิ่งกินก็ต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปมากๆจนในที่สุดก็ร่างกายก็รับยาไม่ไหวสู้กับพิษของยาไม่ไหวเดี๋ยวนี้มีคนตายจากยาพวกนี้มากกว่าอาชกรรมชนิดอย่างอื่นเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบเวลาที่ เกิดความอยากขึ้นมาต้องทำตามความอยากเมื่อทาตามความอยากมันก็จะทำให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความอยากมันจะไม่พอใจกับสิ่งที่ได้เคยได้มาต้องเพิ่มถึงจะมีความพอใจเมื่อเพิ่มไปมากๆเข้ามันก็เลยทำร้ายร่างกายทำให้ร่างกายตายกันได้ นี่แหละเพราะว่าไม่มีสมาธิยังการที่เราจะสามารถสร้างความสุขได้อย่างถาวรนี้ขั้นที่หนึ่งเราต้องสร้างความสุขแบบชั่วคราวไว้ก่อนคือความสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะเราจะใช้ความสุขที่ได้จากสมาธินี้มาช่วยเราทําลายเหตุที่มาทําให้ ความสุขที่เกิดจากสมาธินี้หายไปและการที่จะทำลายมันได้นี้ไม่ใช่สมาธิเพียงอย่างเดียวเพราะสมาธิไม่รู้เหตุต้องอาศัยปัญญาถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะไม่มีปัญญาที่จะรู้เองได้ว่าความไม่สงบของเรานี้เกิดจากความอยาก ในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ไม่เที่ยงที่ไม่ควบคุมบังคับไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเราเคยหาความสุขแบบนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานไม่ใช่แต่พบนี้ชาตินี้เท่านี้เราเคยหาความสุขแบบนี้มาหลายพบหลายชาติแล้ว เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขแบบนี้เท่านั้นเองเราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงจะสามารถหาความสุขจากกามตัณหาได้ความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสผลพะเราอยากดูกันอยากฟังกัน เวลาได้ไปดูภาพยนตร์ได้ฟังเสียงภาพยนตร์หรือเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์ดูแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจขึ้นม า, เ, าเกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวพอออกจากโรงภาพยนตร์มาความสุขนั้นก็หายไปหมดก็ต้องไปหาความสุขต่อออกจากโรงภาพยนตร์ก็ไปหาความสุขทางปากาทางลิ้นต่อ เข้าร้านอาหารอเครื่องดื่มหาของรับประทานบางท่านก็เข้าลงเบียร์งเหล้าอาสุรายาเมาดื่มกันนี่แหละคือการวิธีหาความสุขของเราที่เราเคยหามาจนติดเป็นสันดานเป็นนิสัยที่เรามาเกิดกันนี้ก็เพราะว่าเราอยากหาความสุขแบบนี้กัน เราจึงต้องมามีร่างกายกันเราไม่ได้เป็นร่างกายเนะร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์นะส่วนเรานี่เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เราต้องการไปที่ไหนเราก็ต้องมีรถยนต์พาเราไปเราต้องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องใช้ร่างกายต้องมีร่างกายเราคือใคร เราคือผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคือความคิดนี่แหละเราคือผู้คิดคือผู้รู้รู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังดูอะไรกำลังได้ยินอะไรกำลังฟังอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ร่างกายตัวร่างกายนี้มันไม่มีตัวนี้อยู่ตัวนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเพียงแต่ว่าม า, ามา มาแต่งงานกันามาอยู่ร่วมกัน เ, เหมือนเป็นสามีภรรยากันใจเนี่ยคือผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณาดวงวิญญาณที่จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไป นี่เรียกว่ากามัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยไอตัวนี้สามตัวนี่แหละเป็นที่ตัวที่พาให้เราต้องมามีร่างกายกันอยู่เรื่อ ย, อยต้องมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการหาความสุขเพราะว่าหามาได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญไปหมดไปเวลาได้มาก็ดีอกดีใจเวลาสูญไปก็เสียอกเสียใจ กลายความเศร้าความว้าเหวอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีอะไรคอยให้ความสุขอยู่เรื่อยๆต้องมีคนนั่นคนนี้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้แหละคือโทษของความอยากที่เราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่เห็นความอยากว่าเป็นโทษ เคยมีคนที่มาศึกษามาเถียงกับเราเลยว่าถ้าไม่มีความอยากแล้วโลกนี้มันจะเจริญได้ยังไงอา้ามันก็เจริญแบบทางโลกเจริญแบบทุกข์อ่ะคุณอยากจะเจริญแบบทุกข์เลยเนี่ยตอนนี้โลกเจริญไหมเนี่ยมีเตกรามบ้านช่องมีรถรามีอะไรต่างๆแต่ใจของคนเป็นยังไงใจของคนมีความสุขแล้วมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจกัน ไปถามบ้านไหนว่ามีบ้านไหนไหมมีคนไหนไ้มที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีหรอกมีความทุกข์ด้วยกันทุกคนอันนี้เขาไม่รู้ไงเนี่ยถ้าไม่มีใครรู้ไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกนี่จะเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เราได้มีความสุข ถ้าเราไม่อยากเป็นสอสอแล้วเราจะมีความสุขจากการเป็นสสอได้อย่างไรฮะก็ถูกใช่ไหมอพออยากเป็นสอสอก็เลยทําให้ต้องไปดิ้นสมัครเลือกตั้งหาเสียงอพอได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอก็โอ้ยดีออกดีใจฉลองสามวันเจ็ดวันกันฮแล้วไม่ดูตอนต่อไปเนี่ยเวลาเป็นแล้วเป็นยังไงต้องทํางานหน้าที่สอสอต้อง ปากเปียกปากฉีกในสภาด่ากันไปด่ากันมาต้องแก่งแย่งตําแหน่งแก่งแย่งอะไรกันไปอีกอันนี้หรืคือความสุขที่ได้จากการเป็นสสแล้วเวลามันถูกยุบสภาลงไปเมื่อไหร่ตกงานทันทีไหมตกจากสวรรค์ทันทีเคยมีเกียรติก็หมดไปเคยมีอภิสิทธิ์ก็หมดไป เคยขึ้นเครื่องบินฟรีก็หมดไปเคยมีคนนวดคนขับมีนถมีคนขับก็หมดไปนั่นแหละไม่เห็นตอนนี้กันเอไม่เห็นตอนที่มันทุกข์เห็นแต่ตอนขึ้นขี่หลังเสือโอ้มันมันแต่ไม่เห็นตอนที่ตกหลังเสือถูกเสือกัดเอานี่คือปัญญาเนี่ย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มองด้านลบเราจะมองแต่ด้านบวกสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจะดีไปเสีงหมดแต่พอได้มาแล้วมันถึงจะเห็นด้านลบรู้งี้ไม่เอาดีกว่าแต่มันสายไปเสีแล้วขนาดรู้ข่าวหน้าก็ยังห้ามใจไม่ได้ถ้ามีใครมารล่าใจก็ลืมไปเถอะอีก ล, ลืมความทุกข์ที่ได้จากสิ่งนั้น เดี๋ยวสมัยหนะ้ามีใครมาชวนเลิกตั่งอีกเอาเอาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะมันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่มีความสุขกันใจมันไม่มีความสุขเพราะใจมันดิ้นหาความสุขตลอดเวลาเพราะมันไม่มีความสงบมันไม่รู้ว่าความสงบนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้ใจหยุดดิน้นทำให้ใจมีความอิ่มความพออันนี้ต้องรอพระพุทธเจ้ามาค้นคบพบความจริงอันนี้ ท่านเรียกว่าอาริ ย, ยสัจสัจธรรมความจริงของผู้ประเสริฐผู้ที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะเห็นว่าความสุขนี้เกิดจากความสงบเกิดจากการระ ง, งับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเหนือกว่าวิธีที่ท่านได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆ ความสุขที่เกิดจากความสงบที่ได้จากสมาธิเป็นความสุขที่ชั่วคราวไม่สามารถทำลายความอยากได้เพียงแต่หยุดความอยากไว้ชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้าไว้เนี่ยหญ้ามันงอกขึ้นมาไม่ได้พอเราหินออกก็ดูว่าเหมือนมันตายแต่พอทิ้งไว้ไม่กี่วัน พมันได้น้ําค้างน้ําฝนเอ๊ะมันงอกขึ้นมาใหม่อีกแล้วเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ารากมันยังมีอยู่เนี่ยใจก็เหมือนกันเวลาเราทําใจให้สงบความอยากมันหายไปหมดเลยเแต่พอเราออกจากความสงบมาสัากพักหนึ่งเมันโผล่ขึ้นมาใหม่อีกแล้วเห็นนั่นนู่นก็อยากได้เห็นนั่นนี่ก็อยากมีอยากเป็นขึ้นมาอีกแล้ว มันไม่หายด้วยกำลังของสมาธิมันจะต้องหายด้วยกำลังของปัญญาเท่นปัญญาต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราควบคุมให้มันเที่ยงควบคุมให้มันเป็นสุขอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นสุขด้วยแต่มันเป็นความทุกข์ด้วยมันจะตามมาทีหลังเพราะความสุขที่ได้เดี๋ยวมันจะต้องหมดนี่ต้องใช้ปัญญา พอเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้คิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันจะทําให้เราต้องทุกข์ต่อไปเราก็บอกไม่เอาดีกว่าสูบบุหรี่แล้วติดไม่เอาดีกว่าสูบไปแล้วเดี๋ยวเวลาติดเกิดเวลาไม่มีบุหรี่สูบนี่มันจะทรมานมากเดือมเล่าก็เหมือนกันติดเหล้าพอเวลาไม่มีเหล้าเดืมนี่มันจะมือไม้สัน่นเคสังเกตคนที่ติดสุลามเวลาที่ไม่ได้ เดือสุรานี่มือไม้สานอารมณ์ไม่ดียิ่งถ้าไปติดยาเสพติดยิ่งรุนแรงเนี่ยความรุนแรงมันต่างกันนะยาเสพติดนี่รุนแรงที่สุดลองมาก็สุราลองลงมาก็บุหรี่ลองลงมาก็กราบแฟดเคยลองมาแล้วของพวกนี้ถึงพูดได้ว่ามันเป็นยังไงแต่พอเลิกได้แล้วโอ้สบาย เดียนี้ไม่เคยคิดถึงกาแฟาไม่เคยคิดถึงบุหรี่ไม่เคยคิดถึงสุราไม่เคยคิดถึงยาเสพติดเพราะว่ามันเลิกแล้วมันไม่มีความอยากนะมันเลยเห็นมันก็เฉยเฉยคิดถึงมันก็เฉยเฉยไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันนี่แหละคือปัญญาตัวที่จะทำให้ใจของเรานี่ไม่ ทุกไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายกันก็ความอยากต่างๆที่เรามีกับบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆทั้งนั้น่ะไม่มีอะไรหรอกวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้เพราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันที่เราวุ่นวายกัน แต่เราไม่รู้สาเหตุของความวุ่นวายใจเรากลับไปโทษว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จึงทำให้เราไม่เราไม่สบายทำให้เราไม่สบายใจแต่ไม่ไม่รู้ความจริงว่าถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่า เขาจะมันไม่สามารถทำให้เราไม่สบายใจได้เนี่ยก็ดูคนที่เราไม่รู้จักต้องเยอะแยะเขาทำอะไรเราใบเดือดร้อนกับการกระทำของเขาหรือเปล่าแต่พอเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราขึ้นมานี้เป็นไางเดือดร้อนไหมพอทำอะไรที่เราคิดว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยโอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับพันะก็เพราะความอยาก แต่คนที่เราไม่รู้จักเราไม่อยากเขาจะตายเขาจะเป็นเขาจะอะไรเราไม่เดือดร้อนด้วยเพราะเราไม่มีความอยากในตัวเขาไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้จักเขาแต่พอคนไหนที่เรารู้จักขึ้นมานี้มักอยากจะไปยุ่งกับเขาเลมักอยากจะไปจัดการกับชีวิตของเขาเลแล้วเป็นไงพออยากไปจัดการกับชีวิตของเขา มันก็เด่งกลับมาหาตัวเราเองนี่แหละทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระวนกังวายวิธีที่จะแก้ก็ต้องหยุดอย่าไปยุ่งกับเขาช่วงที่หยุดนี้มันจะมันจะอารมณ์หงุดหงิดก็ต้องเข้าสมาธิไปสมาธิเนี่ยเป็นเป็นเหมือนยาที่จะมาแก้ เวลาที่ติดยาเวลาติดยาเสพติดแล้วมือไม้สัน่นใจสั่นนี่ต้องใช้สมาธิเท่านั้น่ะถึงจะทำให้ใจหายสัน่นมือไม้หายสัน่นแล้วใจจะสงบแล้วก็จะหยุดจะเลิกทาตามความอยากได้ น, ะนี่คือวิธีการหาความสุขทางใจที่ฐาวรเราได้ ความรู้วิธีนี้มาจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตารัสโลในปัจจุบันนี้เราจะรู้ได้อย่างมากก็คือวิธีาหาความสงบจากการทำสมาธิเท่านั้นเราจะได้ความสุขเพียงขณะที่เราอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอเราออกจากสมาธิมาแล้วเดี๋ยวก็ ความอยากต่างๆมันก็จะมาสร้างความกังวลกวสร้างความหุดกิดสร้างความลาคาญใจให้กับเราทันที yeah. แล้วก็มันจะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครคิดว่าไอ้ความอยากนี้เป็นตัวร้ายกาศกลับไปคิดว่าไอ้ความอยากนี้เป็นมิตรอยากจะให้มันมาชวนเราไปเรื่อยๆเห็นไหมเวลาเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวไปกินนี่โโหดีใจไหม ทานที่จะไปมองว่าเป็นศัตรูกับไปมองว่าเป็นมิตรไม่ไปมองว่าตอนที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวแล้วรู้สึกยังไงเหงาว้าเวงดเหียดนำคาญใจพอได้ออกไปเที่ยวก็เลยดีใจเพราะได้มีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่จะทำให้เราอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกนอกบ้านไปเรื่อยๆต้องไปออกหาความสุขนอกบ้านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรา ไม่ติดกับการเที่ยวไม่ติดกับการออกนอกบ้านได้นี่อยู่บ้านมีความสุขจะตายสบายกว่าออกนอกบ้านต้องหลายเท่าหนึ่งไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้วุ่นวายสองไม่ต้องเตรียมสะตงสตังอยู่บ้านแสนจะสบายใส่เสื้อผ้าแบบสบายอยากจะกินอยากจะนอนตรงไหนเมื่อไหร่ทาได้เข้าห้องน้ําห้องท่าเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างสะดวก พอออกไปนอกบ้านแล้วนี่ถ้าเกิดไปติดบนท้องถนนอยากจะเข้าห้องน้าก็ต้องทนไปก่อนนะต้องรอไปก่อนเดี๋ยวก็ต้องแวะตามปั๊มจะหาอะไรกินก็ต้องบางทีก็ต้องไปแย่งกันอีกบางทีคนไปกินเงินเยอะก็ต้องไปยืนเข้าแถวกันเพวุ่นวายใจจะตายไปสู้อยู่บ้านไม่ได้แต่อยู่ไม่ติดบ้าน พราะถ้ามีความอยากออกนอกบ้านแล้วอยู่บ้านมันกลับกลายเป็นความทุกข์ไปไม่ได้เป็นความสุขนี่แหละคือปัญหาใจไม่มีความสุขเลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอกใจกันพวกเราโชคดีเนี่ยได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเราหาความสุขอที่แท้จริงความสุขที่จะทําให้เราอยู่เฉยๆได้ ไม่ต้องไปดิ้นหาอะไรเพราะว่าดิ้นหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอไม่มีวันอิ่มดิ้นแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาเพิ่มมาหรือหาสิ่งใหม่มาหาได้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมหิวเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมแต่ถ้าลองมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้เนี่ยใจจะสงบ ส, สบาย แล้วถ้ารู้จากวิธีหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบหลังจากที่ออกจากสมาธิไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิอีกต่อไปถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หายไปหมดไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติสมาธิอีกต่อไปไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาอีกต่อไป พราะสมาธิกับปัญญาก็เป็นเหมือนยาที่จะมารักษาโรคความไม่สบายใจให้มันหายไปนั่นเองพอเชื่อโลกที่มาทำให้ใจเราไม่สบายคือความอยากทั้งสามนี้กามาตัานหาภาวะตันหาวิภวะตันหานี้พอถูกสมาธิปัญญามากำจัดพอความอยากทั้งสามนี้หมดไปจากใจ ใจก็หายจากความไม่สบายใจต่างๆเหมือนกับร่างกายเวลาไม่สบายเราก็ไปหามมยามารับประทานพอยามาเข้ามาในร่างกายมันก็ไปทาลายเชื้อโรคที่มาทำให้ใจทาให้ร่างกายไม่สบายพอร่างกายหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วเรากินยาต่อไปหรือเปล่า ไม่ต้องกินยากินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินไปหรือไม่กินก็ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เป็นปกติสุขเหมือนเดิมกินก็อย่างนั้นไม่กินก็อย่างนั้นฉันใดหลังจากที่จ่ายหายจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วหลังจากที่ตั้หาความอยากทั้งสามนี้ ได้ถูกกำจัดให้หมดไปด้วยกำลังของธรรมโอสถคือสมาธิและปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิกันอีกต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องมาพิจารณาตายรักอนิจจงทุกขังอนัตตากันต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องมากำจัดพิจารณาก็เท่านั้นไม่พิจารณาก็เท่านั้นเข้าสมาธิหรือไม่เข้าสมาธิก็เท่านั้น ความทุกข์ก็ไม่มีเหมือนเดิมอยู่นอกสมาธิอยู่ข้างในสมาธิก็ไม่ต่างกันในเรื่องของความทุกข์ใจไม่มีแต่ที่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกยังเข้าสมาธิกันอยู่ยังเดินจงกรมกันอยู่นี้เพื่อพักผ่อนจิตใจจิตใจก็เหนื่อยได้เหมือนร่างกายเวลาคิดอะไรมากๆ พระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมเวลาต้องสามสี่รอบด้วยกันก็ต้องใช้ความคิดในการแสดงธรรมคิดไปแล้วมันก็เหนื่อยก็ต้องระ ง, งับหยุดความคิดด้วยการเข้าไปในสมาธิแต่ไม่ได้เข้าไปเพื่อกำจัดกิเลสตัณหากำจัดความทุกข์แต่เข้าไปเพื่อพักผ่อนจิตใจท่านเรียกว่าเป็นวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจสมาธิไม่ได้เป็นยารักษาโรคเหมือนตอนที่ปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสนะตอนปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสนี้เป็นยาไว้ฆากิเลสฆาตันหาความอยากต่างๆแต่พอไม่มีกิเลสตันหาแล้วก็กลายเป็นยาอายุวัฒนะไปเป็นเหมือนกับยาวิตามินที่เรากินไปไม่ได้กินเพื่อรักษาโรคใช่ไหมเป็นอาหารเสริม เราเรียกว่าอาหารเสริมกินวิตามินรวมกินแคลเซียมกินน้ํามันตับปลาสารพัด ส, สารเพที่เขาคิดค้นคว้าขึ้นมายาเหล่านี้ไม่ได้เป็นยาที่จะมารักษาโาครคภัยไข้เจ็บแต่มาทนุถนอมร่างกายให้อายุยืนยาวนานขึ้นไปไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแบบที่ไม่จําเป็นจะต้องเจ็บนะ นี่คือเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี้หลังจากที่ท่านปฏิบัติธรรมจดกิเลสตายหมดแล้วท่านไม่ได้เอาธรรมะมาฆ่ากิเลสแล้วแต่ท่านเอาการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นมาเป็นการพักผ่อนร่างกายและจิตใจเดินจงกรมนี้ก็ช่วยพักผ่อนบรรเทาความเจ็บเมื่อยต่างๆของร่างกายเพราะเวลานั่งนานๆมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็เมื่อย ถ้าได้ลุกไปเดินสักพักหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกหายแล้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีกำลังวังชาขึ้นมานี่คือวิหารธรรมหรืออาหารเสริมของร่างกายและจิตใจการเดินจงกรมนี้ก็เป็นการออกกำลังกายนี่เดินก็ออกกํากำลังกายก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเห็นไหม พวกหมอหัวใจนี้เขาว่าได้ออกกำลังกายเยอะๆแล้วจะมีมีตัวไอตัวที่จะมารักษาใจให้แข็งแรงยิ่งออกกำลังกายมากไอตัวนี้จะขึ้นสูงจะไปทำลายไขยมันต่างๆที่มีอยู่ในหลอดเลือดอาการออกกำลังกายยังเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ แม้แต่พระพุทธเจ้าพระหลานท่านก็ออกกำลังกายกันท่านไม่ได้นั่งนอนอย่างเดียวเมื่อนั่งมันเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินหรือนอนมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมานั่งเปลี่ยนอิรลียบทไปอันนี้เป็นการประครับประคองาธาตุขันธ์คือร่างกายให้อยู่ไปอย่างปกติสุขจนถึงวาลาสุดท้ายของมัน ทำไมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงไม่ฆ่าตัวตายกันในเมื่อ อ, อยู่หรือตายก็เท่ากัน เ, เพราะว่าการฆ่าตัวตายนี้มั น, มนออกมาจากกิเลสตัณหาคนที่ฆ่าตัวตายนีอ้ออกมาจากความอยากเช่นร่างกายมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้หรือชีวิต ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เช่นล้มละลายหรือเสียคนที่รักไปคิดว่าไม่สามารถจะหาคนใหม่ได้แล้วถ้าเสียคนนี้ไปอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็เลยคิดฆ่าตัวตายคนคิดฆ่าตัวตายนี้ยังมีภาวะตัณหาอยู่วิภาวะตัณหาอยู่แล้วการฆ่าตัวตายนี้ก็เป็น ทำให้ใจมีความโหดร้ายทารุณถ้าขนาดร่างกายของตนยังฆ่าได้แล้วต่อไปฆ่าคนอื่นมันจะไม่ฆ่าไม่ได้หรือยังไงไม่มีใครรักร่างกายข อ, ของตนเองมากกว่ารักร่างกายของคนไม่มีรักอะไรจะมากเท่ากับรักร่างกายของตนถ้าสามารถฆ่าร่างกายของตนที่ตนเองรักได้ก็แสดงว่ามีความโหดร้ายมีความโกรธเกลียดมาก ถึงจะฆ่าตัวเองได้ได้ตัวนี้แหละที่จะทำให้เราเวลาไปเกิดใหม่เดี๋ยวก็ไปฆ่าคนอื่นง่ายๆใครลองมาทำให้ไม่สบายใจไม่พอใจก็ฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายแม้แต่พ่อแม่ก็ยังฆ่าได้คนที่รักก็ยังฆ่าได้เพราะตัวเองยังฆ่าตัวเองได้แล้วทำไมจะฆ่าคนอื่นไม่ได้ท่านจะไม่มีการฆ่าตัวตาย พระอราหารพระพุทธเจ้าไม่ฆ่าตัวตายท่านไม่โง่พอท่านฉลาดท่านรู้โทษท่านไม่มีความอยากจะตายเนะี่ยเข้าใจมแต่ท่านก็ไม่มีความอยากจะอยู่ไม่มีทั้งสองอย่างอยากอยู่ก็ไม่มีอยากตายก็ไม่มีก็เลยอยู่เฉยๆไปกับมันดูแลมันไปพอเห็นว่าร่างกายมันยังสามารถเอามาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ถึงแม้ว่าตัวเอง ไม่ต้องใช้มาแล้วแต่คนอื่นยังต้องอาศัยมันเหมือนกับเรามีรถเราไม่ต้องไปไหนมาไหนแล้วแต่เราเห็นเพื่อนบ้านต้องเดินไปทำงานเราก็สงสารเนาะขับรถไปส่งเขาหน่อยวะไปรับส่งเขาอันนี้ก็ลักษณะของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านมีร่างกายแต่ท่านไม่ต้องใช้ร่างกายทำอะไรแล้วแต่ร่างกายมันอยู่ยังอยู่ก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ให้กับเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านก็คือพวกเราเนี่ยพวกเราที่พวกงโง่ทั้งหลายเนี่ยที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่เนี่ยท่านก็เลยสงสารถ้าใครอยากจะให้ท่านช่วยท่านก็จะช่วยแต่ท่านจะไม่ไปบังคับเขาไม่ไปเรียกเขาให้มาจะช่วยให้พ้นทุกข์เอาไหมอันนี้ไม่ได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพระอราหันต์แต่ท่านจะช่วยคนที่มาหามาขอร้องให้ช่วยเหลือ เนียญาติโยมมานี่มีใครไปชวนมาปล่ามีใครเราส่งสารส่งบัตรเชิญไปให้มาที่นี่หรือเปล่ามากันเองใช่ไหมถ้าไม่มาเราก็สบายเราก็จะได้นอนต่อได้ะจะได้ไม่ต้องมานั่งพูดให้เหน็ดให้เหนื่อยเพราะญาติโยมมาจะไปนอนเฉยๆทาไปไม่รู้ไม่ชี้ก็ไม่ได้ก็เลยต้องออกมาเนี่ย ออมาแล้วก็มาพูดธรรมะให้ฟังให้รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรแล้ววิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆนี้ให้มันหมดไปนี้กาจัดได้อย่างไรก็ต้องกำจัดด้วยการมาฝึกจิตนี่เองการมาควบคุมจิตใจทำจิตใจให้สงบการจะทำให้จิตใจให้สงบมันก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีต่างๆ เพราะว่ามันมีอุปสรรคที่คอยขวางการทำใจให้สงบเนะอุปสรรคนี้เราก็เรียกว่านิวรนเนี่ิวรนนี้ก็มีอยู่ห้าห้าตัวด้วยกันตัวที่หนึ่งก็คือกามะฉันทะเนี่ยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถ้าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่เราจะไม่อยากมานั่งสมาธิกัน เดี๋ยวก็เปิดดูมือถือดูนั่นดูนี่แทนที่นั่งดูลมหายใจเขาออกดูไม่ได้ระหว่างให้เลือกระหว่างดูมือถือก็ดูลมหายใจเข้าออกนี่จะดูอันไหนรับลองได้ต้องดูมือถือกันเท่านั้นไม่รู้ว่าดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะได้อะไรเอออันนี้ต้องมีคนมาแนะนําว่าดูดูลมหายใจเข้าออกนี่มันจะสบายกว่านะ ดูแล้วใจจะสบายใจจะเย็นใจจะมีความสุขดูมือถือแล้วเดี๋ยวใจจะวุ่นวายนะเดี๋ยวดูไปเจอสิ่งที่กระตุ้นความอยากขึ้นมาแล้วจะทําให้ใจกระวนกระวายกระสรับกระสายขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครรู้ต้องมีคนสอนคนสอนบอกว่าถ้าอยากจะทําใจให้สงบต้องอย่าไปดูรูปสิยงกิรลดอย่าไปสัมผัสกับมัน ถ้าอยู่ที่มันมีรูปเสียงกลิ่นลดรอบด้านก็ต้องหนีท่านบอกให้ไปปลีกวิเวกแล้วก็ให้ถือศีลที่จะห้ามไม่ให้เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดเรียกว่าอินทรีย์ orn, สังวรสังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดวิธีที่จะมีอินทรีย์สังวรก็คือให้ถือศีลแปด สินห้านี้ไม่ใช่อินทรียสังวรสินห้าเรียกว่าสินสังวรคือระ ง, งับการกระทําบาปที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและตนเองแต่การถืออินทรีย์สังวรนี้ไม่ได้ไประ ง, งับการไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นเช่นการไปเที่ยวนี้ไม่ได้ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายผู้อื่นเขาดีใจที่มีเงินไป ใช้ไปซื้อของตามร้านเขากับดีใจแต่มันเป็นภัยกับจิตใจของเรามันจะทำให้ใจเราไม่สงบเพราะถ้าเราเที่ยวแล้วมันก็ติดมันจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆจะให้มานั่งพุทโธมานั่งดูลมหายใจเข้าออกนี้มันจะทำไม่ได้ก็เลยต้องหักห้ามจิตใจด้วยการถือศีลแปดเรียกว่าเอนทรีสังวรสํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ขันศีลข้อสาต้องเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่มีการร่วมหลับนอนกันเรียกว่าอบรมมามจริยานอนกันคนละห้องถ้าเป็นแฟนเป็นสามีภรรยา ก, กันต้องแยกกันไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเพราะมันจะเสียเวลา ถ้าไปร่วมหลับนอนกันก็ไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิมาทำใจให้สงบได้จึงต้องมีอินทรีย์สังวรแล้วถ้าอยู่ที่มันมีสิ่งรบกวนใจทำให้รักษาศีลอยา่างเดี๋ยวข้างบ้านก็คนในบ้านด้วยการกินข้าวเย็นเดี๋ยวก็ใจเราก็วุ่นวายขึ้นมาเดี๋ยวก็เปิดทีวีดูละครดูข่าวดูอะไรใจเราก็วุ่นวายขึ้นมา เขาเปิดเพลงฟังร้องรำทำเพลงกันถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นมันก็จะทําให้การทําใจให้สงบยากเพราะกามฉันทะมันจะงอกเงยขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอมันได้ยินเสียงปับ๊บกามฉันทะจะขึ้นมาทันทีพอได้กินอาหารมาปับ๊บนี่ยกามฉันทะขึ้นมาทันทีลองดูเถอลองอดข้าวเย็นดูแล้วลองได้กลิ่นอาหารโชยมาที่จะบุกดูเลย ดูว่ามันจะสุขหรือจะทุกเนี่ยหิวขึ้นมาน้ำลายไหลหจึงต้องไปปรีกวิเวกวิธีที่จะทำให้เรามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกดิ้นกายได้อย่างง่ายดายก็คือต้องไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิดนด่นรสย่วยวนกวนใจต่างๆสถานที่ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็คือตามวัดป่าวัดเขานี่เอ หรือตามป่าตามเขาเหมือนกันไปอยู่วัดป่าวัดเขาก็จะไม่มีรูปเสียงกิ่นรถให้เรามากระตุ้นความอยากของเรามีแต่เสียงนกเสียงกาฟังไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดความอยากเสียงลมพัดเห็นต้นไม้ใบหญ้ามันก็ไม่เกิดความอยากเหมือนกับเวลาที่อยู่ในบ้านในเมืองเห็นคนนั้นคนนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมา จึงต้องไปปีกวิเวกันถึงจะทำให้ระ ง, งับกามะฉันทะได้ถ้าระ ง, งับได้ก็ใจก็จะได้กลับมามีสติประครับประคองใจได้กลับมาดูลมหายใจกลับมาบริกรรมพุทโธได้ต้องพยายามควบคุมใจตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะว่าถ้ามาคอยควบคุมเฉพาะเวลานั่ง มันจะไม่มีกําลังพอเพราะว่าเวลาที่ไม่นั่งก็ปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิดไปทางกามรรคฉันทะก็ตามแต่มันก็ยังคิดท่าใจคิดมันก็จะไม่สงบอยู่ดีฉะนั้นเวลาที่ก่อนจะนั่งสมาธิได้เวลาไปปีกวิเวกแล้วขั้นที่สองก็ต้องคอยควบคุมใจด้วยสติอย่าให้คิด เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้มาอยู่ในปัจจุบันให้มาสักแต่ว่ารู้ให้รู้ว่าเรากำลังไม่คิดอะไรถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันวิธีหยุดมันก็มีหลายวิธีจะคล้ายใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้เช่นกำลังคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ถ้าอยากจะคิด เลิกคิดก็พุทโธพุทโธเปืน่นก็คือเปลีป่ยนเรื่องคิดนั่นเองมาคิดในเรื่องที่จะทําให้เราไม่ไปคิดถึงไข่พอเราอยู่กับพุทโธพุทโธเดี๋ยวเราก็ลืมคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะหยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้ามันคิดอยู่กับพุทโธเวล า, เาจะให้มันหยุดมันก็นง่ายพอหยุดพุทโธปั๊บมันก็หยุดปั๊บเลย <S <S <ores. S 1> น่เดี๋ยต้องพยายามฝึกสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิด ไม่ใช่จะมาควบคุมเฉพาะตอนที่เวลานั่งเท่านั้นถ้ามาควบคุมตอนเวลานั่งมันไม่ยอมหยุดคิดง่ายๆแล้วมันจะทําให้เราอึดอัดพอเราจะต้องมาควบคุมบังคับมันไม่ให้มันคิดมันจะอึดอัดเดี๋ยวมันจะรู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมาปวดศรีรษะขึ้นมาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมานี่เป็นอาการที่เกิดจากกิเลสมันแผงลงฤทธิ์เกิดจากความคิดที่กิเลสมันชอบคิดน แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับคอยควบคุมความคิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้หยุดอย่างร้อยเปอร์เซนอย่างน้อยมันก็ลดความคิดลงไปได้เยอะเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราคอยแตะเบรกอยู่เรื่อยๆรถที่วิ่งลงเขาเนี้ ถ้าเราไม่แตะเบรกนี้มันจะวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคอยแตะเบรกไว้ฮะมันถึงแม้มันจะไม่ไม่หยุดมันก็ไม่วิ่งเร็วเกินไปมันก็จะพอที่จะควบคุมมันได้นี่คือการฝึกจิตเราต้องหัดหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราทําให้ความคิดบัญชาลอลงน้อยลงไปไม่ได้เวลามานั่งนี่ยาก ยากต่อการที่จะทำให้จิตสงบแต่ถ้าเราควบคุมได้นั่งไม่นานห้านาทีสิบนาทีมันก็นิ่งสงบได้ เ, เวลาเวลามันนิ่งสงบทีนี้นั่งได้นานเลยเพราะจะมันไม่รู้จักอึดจะไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่แน่นหน้าอกไม่อะไรทั้งนั้นจะรู้สึกเบาสบายเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเนี่ย น, นี้แหละคือผลที่จะได้จากการ ทำใจให้สงบจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะเข้าถึงจุดนี้ได้ก็ต้องฝันฝ่าอุปสรรคคือกามัฉันทะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างมันมีอีกสี่ตัวด้วยกันนอกจากกามัฉันทะก็ยังมีวิจิกิจฉาความนังเลสงสัยว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลจริงตามที่พุทธเจ้าทรงสอนหรือเปล่า เรามีความสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าถ้ามีความสงสัยตรงนี้มันก็จะทำให้เราไม่ทุ่มเทไม่ไม่ทุ่มเทกำลังใจต่อการปฏิบัติเราต้องกำจัดตอนนี้ว่าต้องทำได้แน่ๆพระพุทธเจ้าทำได้เราก็ต้องทำได้พระสาวกทำได้เราก็ต้องทำได้พระสาวกก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรามาก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรามาก่อนถ้าท่านทาได้เราก็ต้องทาได้ ถ้าเราทําตามที่ท่านสอนถ้ามันคิดอย่างนี้มันก็จะได้หายลังเลยสงสัยได้นอกานั้นก็ยังมีความโกรธบางทีนั่งไปแล้วโกรธตัวเองก็มีนั่งแล้วไม่สงบสักทีโกรธมันก็ยิ่งมุ่นวายใหญ่กาอย่าไปโกรธโกรธแล้วมันได้อะไรก็ต้องให้อภัยตัวเองว่าอย่าไปโกรธตัวเอง ว่าเราโง่เองยอมนะว่าเราโง่ดีกว่าเราขี้เกียจเรามาแก้เราพยายามทําให้ขยนันทําให้มันถูกสิวิธีที่ทําให้ถูกทําไงเราฝึกสติมาตั้งแต่ก่อนเรามานั่งหรือเปล่าอถ้ายัางไม่มีสติก็กลับไปฝึกสติใหม่ลุกขึ้นไปเดินจงกรมก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนไปโกรธตัวเองทําไมโกรธแล้วยิ่งนั่งไม่ได้อ่ะไม่ใช่ละกิเลสมันจะให้เราโกรธเพื่อจะได้เลิกเลย คุไม่ได้แล้วชาตินี้นั่งมาไม่ได้แล้ว ไ, ไปเที่ยวดีกว่ามันจะมันจะพยายามให้เราล้มกระดานเราให้ได้อยาให้เรายกธงขาวให้เรายูเทิร์นให้กลับไปหาความสุขทางกามาชันทะดีกว่าอันนี้เป็นอุปสรรคที่จะต้องแก้่ตารังในสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรม จากท่านแล้วท่านจะเล่าวิธีการปฏิบัติของท่านวิธีฟันฝ่าอุปสรรคแลต่างๆเหล่านี้แล้วพอเราได้เรียนรู้วิธีเราก็เอามาใช้แก้ปัญหาได้ความโกรธความรังเลสงสยัยกามฉันทะความง่วงเหงาหงนอนเกียดค้านว่ากินมากก็ต้องลดการกินให้น้อยลงกินพอประมาณกินวันละมื้อก็พอแล้วก็ ข้อสุดท้ายก็มีข้อจําไม่ได้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็เพราะไม่มีสติคอยควบคุมใจนั่นเนองแต่ความสําคัญของสตินี้ต้องคอยควบคุมตลอดเวลาตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยพอลืมตาขึ้นมานี่ถือว่าเราเริ่มขึ้นเวทีต่อสู้กับกิเลสนะเราต้องใช้สติสู้กับมันหยุดมันหยุดความคิดต่างๆถ้าเราฝึกถ้าเรารู้จักวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว เราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่รู้ก็ต้องไปศึกษากับผู้รู้ถ้าสงสัยก็ถามจากผู้รู้วิธีแก้อุปสรรคเหล่านี้ทำอย่างไรพอรู้แล้วก็ลองออกไปทดลองทำดูถ้าทำตามที่ท่านบอกอย่างถูกต้องรับรองได้ว่าอุปสรรคต่างๆก็จะหมดสิ้นไปการจะทำใจให้สงบก็จะเป็นผลขึ้นมา พอได้ผลจากสมาธิแล้วก็สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาต่อไปได้พอมีปัญญาก็สามารถกำจัดตัวที่มาทำลายความสงบให้หายไปหมดได้หายหมดแล้วทีนี้ก็จะมีแต่ความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเรียกว่านิพพานนิพพานคือความสงบที่ถาวรสมาธิคือความสงบชั่วคราว เราต้องเริ่มจากความสงบชั่วคราวเข้าไปสู่ความสงบที่ถาวรด้วยการผ่านปัญญาเป็นทางเดินทุกขั้นของการทำใจให้สงบที่ถาวรนี้ต้องมีปัญญาเป็นผู้พาไปนี่คือเรื่องของการมาทำปฏิบัติมาศึกษาทำเพื่อให้ได้บรรลุถึงเป้าหมายของ ของที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราบรรลุถึงกันก็คือให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่ได้จากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองก็ขอให้ท่านจงลองเอาไปพินิจคิดพิจารณาดูแล้วปฏิบัติดูแล้วรับรองได้ว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานาังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิาตาโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะฮระโสยะถาเมณิจติฮระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพารโควินาศตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังปาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ o กสา้อยหกสิบหกยูสอง้สวิทยุออนไลน์30สิบรับฟังบนเขาแปดสิบห้ารวมทั้งสิ้นห8ร้อยแปดสิห้าค่ะ คำถามจากทำลยนยค่ะถ้าเราทำบุญปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาอยู่ที่วัดทำงานวัดทำอาหารถวายพระโดยเราทำด้วยความตั้งใจจะเกิดบุญไหมคะแล้วถ้าบุญเกิดสามารถอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับได้ไหมคะคือบุญมันอย่างมันยังไม่เกิดบุญมันอย่างมันเกิดบุญที่เกิดก็คือทานเกิดทันทีเช่นเรา เ, าเสียสละข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไป เช่นสมบุรณ์ใส่บาทถวายสังฆทานให้เงินขอทานปล่อยนกปล่อยปลาบุญเหล่านี้เกิดขึ้นทันทีส่วนบุญที่เกิดจากการรักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมนี้มันยังเป็นอยู่ขั้นตอนของการปลูกฝังอยู่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลยังคิดว่ายังไม่สามารถที่จะ อุทิศไปได้ถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ทําบุญใส่บาตรไปใส่เงินเอาเงินใส่ตู้บริจาคไปง่ายที่สุดถ้าอยากจะทําตอนไหนถ้าจะใส่บาตรก็ต้องรอตอนเช้าบินทบาตถวายสังฆทานก็ได้หรือถ้ารักสัตว์ก็ไปปล่อยนอกปล่อยปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรนี้ก็ได้บุญเหมือนกันคําถามจากคุณวิรัติทาง youtube ค่ะหนูมากินฟักทองที่ปลูกเอาไว้ แล้วผมใช้ที่ดักหนูได้สองตัวแล้วเอาไปปล่อยที่อื่นอย่างนี้จะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเอาไปปล่อยที่มันอยากใ ห, ให้มันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นต่อก็แล้วกันไม่ใช่ปล่อยจากเอาจากเราไปแล้วไปปล่อยเขาให้บ้านหนึ่งเขาก็ต้องไปปล่อยที่ไกลๆที่เป็นทุ่งเป็นป่าหรือเป็นอะไรคำถามต่อไปจากคุณป๊อปคะ่ะกราบถามครับคือถ้ากระผม มีที่ปลีกวิเวกเป็นของตัวเองอยู่แต่เพียงผู้เดียวแล้วจะถือสินแปดไปด้วยแต่จะใช้คอมพิวเตอร์ไว้ดูและศึกษาธรรมเท่านั้นอย่างนี้ถือว่าจะผิดสินแปดไหมครับถ้าใช้เป็นการศึกษาธรรมะก็ไม่ผิดลัวเดียวมันจะทะเลถลายออกไปนอกธรรมเท่านั้นเองครูาบาอาจารย์ท่านถึงบางทีไม่อยากให้ใช้ของพวกนี้เพราะว่ามันมีทั้งคุณมีทั้งโทษ ถ้าเราไม่มีสติหักห้ามจิตใจเดี๋ยวมันก็อยากจะติดตามตอนต้นก็อยากจะติดตามข่าวสารอย่างงุ่นอย่างนี้เดี๋ยวก็บันเทิงเดี๋ยวก็อะไรเข้ามามันก็จะทำให้เราเสียเวลาแต่ถ้าเราคิดว่าเราควบคุมใจเราได้ใช้เป็นเพื่อประโยชน์ทางธรรมอย่างเดียวก็ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณปัตภัชค่ะกราบเรียนถาม แกบเรลี่ยนถามค่ะขอวิธีทำให้จิตใจมีความมั่นคงไม่สั่นไหวในทางโลกและทางธรรมค่ะก็ต้องมีสติและปัญญาขั้นต้นก็เอาสติก่อนเพราะสตินี้ง่ายกว่าปัญญาต้องฝึกสติให้จิตนิ่งให้ไม่ให้คิดฟุง้งซ่านให้ระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วใจก็จะมีความสงบความสถียน เวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรแล้วเกิดใจสั่นขึ้นมาก็ใช้สติหยุดมันก่อนพุโทโธพุโทโธไปในใจไม่ไปดูไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ใจเราสัน่นเดี๋ยวมันก็หายสัน่นอันนี้ขั้นแรกพอเรามีสติแล้วขั้นที่สองเราก็สามารถสอนให้ให้ใจคิดไปในทางที่จะทําให้ไม่สั่นได้ก็ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราที่มันสัน่นเพราะมันอยากจะไปยุ่ง เกี่ยวกับสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้นั่นเองถ้าเรามีปัญญาว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่ายุ่งกับมันแล้วทำให้เราทุกข์ทำให้เราสันก็ปล่อยวางมันอย่าไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วใจก็จะหายสันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ลูกพยายามตั้งสติตั้งแต่ตื่นคือลืมตาภาวนาพุโทโธในใจทันทีและพยายามให้ใจมีสติแบบนั้นทั้งวันเหมือนมีการออกรับรบกับใจของตัวเองทั้งวันพอฟุ้งซ่านก็รีพุโทโธพุโทโธเลยทำให้คุยกับคนอื่นน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเอาเวลามาสู้กับกิเลส ข, ของตัวเองจนบางวันปวดศีรษะมากไม่ทราบว่าลูกทาถูกไหมคะขอพระอาจารย์เมตตาแนะนาลูกคะ่ะ อาการปวดศีรษะก็อาจจะมีเหตุหลายอย่างด้วยกันถ้ามันเป็นเหตุทางร่างกายก็ต้องไปหาแพทย์ดูแต่ถ้าเป็นเหตุทางใจคือเราอาจจะทํามากเกินกําลังของเรามันก็อาจจะเกิดอาการปวดศีรษะได้ถ้าเราต่อสู้กับมันมากมันลองลองผ่อนผ่อนสั้นผ่อนยาวดูถ้ามันปวดศีรษะเครียดมากก็ลอง หยุดหยุดสู้มันสักพักหนึ่งมาดูลมหายใจมาทำความสงบไม่ต้องไปสู้กับมันมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปเรามาดูลมหายใจมาพูดถูของเราไปอย่าไปสู้กับมัน แล้วอย่าไปอยากให้มันสงบอยากให้มันหยุดคิดตลอดเวลาอันนี้เราทำไม่ได้เราเพียงแต่เราอย่าไปสนใจมันก็ได้มันจะคิดก็ปล่อยมันคิดเราอย่าไปตามมันก็แล้วกันมันจะมาชวนเราคุยเราก็อย่าไปคุยกับมันให้เรากลับมาอยู่ที่พุทโธหยุดดูลมหายใจถ้าพุทโธมันเหนื่อยก็ลองดูลมหายใจถ้าดูไม่ได้อยากจะฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ การฟังธรรมมันก็ทำให้เราหยุดคิดได้เหมือนกันงั้นก็ต้องลองเปลี่ยนวิธีคำถามจากคุณร่างกายไม่ใช่ของเราค่ะลูกตั้งใจจะบวชเหลืออีกไม่กี่วันก็จะบวชแล้วแดดใจทุกข์มากเลยออกจากวัดไม่ได้บวชแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่ไม่ได้บุญนะการบวชนี่ก็เพื่อไปหาบุญ เมื่อเราไม่บวชเราก็เลิกหาบุญนั่นเองแต่ไม่บาปแต่ถ้าเราออกจากวัดมาก็ไปกินเหล้าไปประพฤติผิดประเพณีมันถึงจะบาปพอกลับออกมาจากวัดก็เข้าบาเข้าผักเข้าซ่องเข้าบ่อนอย่างนี้มันถึงจะบาปคำถามจากคุณภัยศินค่ะ ทราบว่าการอุทิศส่วนกุศลให้ทาบุญประเภททานแล้วนักบวชใหม่ที่ยังไม่ได้ทำจะอุทิศได้หรือไม่หรือหรือถือว่าก่อนบวชได้สละร่างกายและชีวิตเพื่อทะศาสนาแล้วครับ ก็ก่อนบวชก็ได้ทาบุญทาทานอย่างเต็มที่แล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอหนไปหมดอันนี้ก็สามารถอุทิศบุญส่วนนี้ได้พอมาบวชแล้วก็ไม่ไม่กังวลกับเรื่องอุทิศบุญละช่วงนี้ขอหยุดเพราะเป็นช่วงที่จะมาสร้างบุญใหม่สร้างบุญที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญา แล้วต่อไปพอได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะสามารถใช้ธรรมะเป็นบุญแทนได้พระพุทธเจ้าแสดงทำให้ทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่ทั้งผู้ที่ตายได้ผู้ที่ตายจะได้รับประโยชน์มากกว่าบุญที่เราทิศจากการทาบุญทำทานบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้สามารถทำให้บรรลุธรรมได้อย่างมารดาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์พอพระ พอพระพุทธเจ้าตัดสรุปก็เลยแสวงหาดูว่าอยู่ที่ไหนพอได้พบก็แสดงทําให้หนึ่งพันษาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอย่างถ้าเป็นพระแล้วก็ต้องมุ่งไปที่การบรรลุธรรมก่อนเมื่อบรรลุธรรมแล้วเทนี้มีธรรมะเป็นบุญอ น, นวิเศษบุญอ น, นสูงสุดที่สามารถที่จะให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไปคําถามต่อไปจะคุณณัทวุฒิค่ะ ในการละวางความอยากหรือการปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อการวางความอยากนั้นๆสำหรับผู้ซึ่งยังเป็นคารวาสอยู่ต้องเป็นไปในลักษณะในถึงจะเป็นไปในทางซึ่งละความอยากเหล่านั้นได้จริงๆเพราะว่าในชีวิต จริงของคนทั่วไปนั้นต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องทางโลกโดยปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเช่นเราไปทำงานต้องมีการพูดมีการจัดการมีการกระทบกระทั่งหรือเอาชนะกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลงานนั้นๆดีกว่ากันและสร้างกำไรไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเป็นต้นบางทีเราก็ไม่อยากทำไม่อยากกระทบกับใครก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าพวกไปโดนด่าบ้างจนส่งผลให้งานลาบากเป็นต้นเพราะจะช่างมันและปล่อยไปเฉยๆก็เป็นไปไม่ได้ ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะตามสภาพความเป็นจริงด้วยครับว่าถ้าจะละความอยากเหล่านี้ได้หมดจริงๆต้องไปเป็นนักบวชเท่านั้นหรือเปล่าครับออยังไม่ต้องหรอกขั้นต้นเราก็เปลี่ยนงานก่อนก็ได้อไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มากทํางานอิสระดูเดีย๋ยวนี้มีงานอิสระหลายรูปแบบออนไลน์ขายเครื่องสำอางขายประกันอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใคร ขอให้เราเข้าใจก่อนว่าการทำงานเพื่ออะไรความจริงการทำงานก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองอย่าไปตั้งเป้าอยู่ที่ความร่ำรวยเพราะความร่ำรวยไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์สร้างความสุขที่แท้จริงถ้าต้องการดับความทุกข์สร้างความสุขที่แท้จริงต้องมาปฏิบัติธรรมการจะปฏิบัติธรรมก็ต้องละความอยากต่างๆเราก็ต้องละความอยากที่เราละได้ในเบื้องต้นก่อนก็คือ นะักความอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการเปลี่ยนงานมาทำงานอิสระทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ อ, อ, อย่างในหลวงทรงสอนรัฐการที่เก้าเศรษฐกิจพอเพียงออให้หามาหากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้เราก็จะตัดความอยากเด่นอยากดังอยากล่ำอยากรวยอยากอะไรได้ แล้วพอเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาสร้างธรรมะให้มากขึ้นได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีกำลังไปบวชได้เองคำถามต่อไปคำถามต่อไปจะคุณจริงขอคคะคารวาสปฏิบัติธรรมแม้ทาใจสงบสุขได้แต่ร่างกายยังต้องอาศัยปัจจัยสี่เพื่อดารงชีพหรือไม่ครับควรปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมครับ ทุกคนต้องอาศัยปัจจัยสี่ทั้งนั้นเนะไม่ว่าญาติโยมหรือพระก็ต้งมีร่างกายเหมือนกันพระก็ต้องหาปัจจัยสี่มาดูแลต้องบิณฑบาตเนี่ยต้องมีจีวรไว้นุ่งห่มเพียงแต่ว่าต้องรู้จักประมาณไม่ต้องไปมีมากมีพอกินพออยู่ก็พอจะได้มีเวลามาฝึกจิตมาปฏิบัติธรรมได้มาก ถ้าไปหามากเกินไปก็จะไม่มีเวลามาฝึกจิตมาปฏิบัติธรรมคำถามต่อไปคะ่ะจากทางไลนค์ค่ะพระที่โยมได้ใส่บาตรถวายได้กล่าวบทยะถาและบทให้พรนั้นโยมจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องไม่เป็นการผิดธรรมะวินัยเจ้าคะความจริงพระไม่ควรให้พรในขณะที่บินทบาทนะเพราะไม่ใช่เวลาที่ควรจะทา และการให้พรความจริงก็ไม่ควรให้ไม่ต้องให้ก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นพรมันไม่ได้ทำให้คนให้ได้บุญมากขึ้นแต่อย่างใดมันเพียงแสดงความปรารถนาดีแสดงความชื่นชมยินดีต่อการทำบุญของเราเท่านั้นเองงนั้นพระจะยาถาสัพพีหรือไม่นี้ไม่มีผลต่อบุญที่เราทำแต่ถ้าท่านอยากจะให้เราก็ถ้าถ้ายืนหรือนั่งเราก็แสดงความเคารพด้วยการพนมมือรับพรไป ทอ่านกล่าวเสร็จก็สาทู่ไปก็จบเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าเป็นผ้าที่บวชกับกูบาจายเขาจะรู้ว่าจะไม่มีการให้พรในการช่วงทําบุญในการใส่โบกใส่บาทเพราะไม่ใช่เป็นเวลาที่อันสมควรถ้าคิดดถูถ้าต้องใส่บาตรต้องให้พรทุกคนเนี่ยวันปีใหม่มีคนใส่บาตรต้องเก้าร้อยเจ็ดสิบคนนี่เมื่อไหร่มันจะเสร็จนะเย็นไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า คนนึงใส่บาตก็ย่าถาสัพปีไปอีกคนใส่ก็ย่าถาสัพปีไปเพราะฉะนั้นมันมันไม่ถูกเวลาการให้พรแล้วก็ให้หรือไม่ให้ก็ไม่ได้ทําให้บุญมากขึ้นหรน้อยลงแต่อย่างใดเป็นการแสดงความปรารถนาดีก่อนชื่นความชื่นชมยินดีต่อการทําบุญของเราเท่านั้นเองคําถามต่อไปจากคุณกสิณาค่ะเราทําอะไรให้คนอื่นด้วยความตั้งใจดี แต่เขาเข้าใจผิดคิกเป็นลบเราหรือเขาจะบาปไหมและเมื่อมาปรับความเข้าใจอโหสิกรรมเราทั้งคู่จะหมดกรรมต่อกันไหมคะเป็นเรื่องของเขากับเราถ้าหมดก็หมดไม่หมดก็ไม่หมดอยู่ที่เขาถ้าเขายังไม่ยอมหมดมันก็ไม่หมดถ้าเขายอมไม่หมดมันก็หมดเพราะฉะนั้นเราไปควบคุม บ, คบังคับเขาไม่ได้ เราอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเขาอยากจะไม่หมดก็เรื่องของเขาเขาอยากจะตามล้างจองล้างจองพลันต่อก็เรื่องของเขาไปเราหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปต้องมาเกิดก็ต้องเจอกรรมเหล่านี้คำถามสุดท้ายนะค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณบีนี่ค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ ว่าอาจารย์ที่เคยสอนหนูมาเพิ่งเสียชีวิตหนูควรจะคิดอย่างไรคะก็คิดว่าท่านไปเปลี่ยนร่างกายใหม่เป็นเหมือนทำสัญญกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายอาการสามสิบสองทำไมนี้ก็ทำได้เพียงแต่บางส่วนเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าตายนี่เปลี่ยนทั้งร่างกายเลยเดี๋ยวได้ร่างกายใหม่เอี่ยมออกมาเกิดมาเป็นเด็กทารกออกมาจากท้องแม่ใหม่เอี่ยมเลย แล้วนี้คือการตายการตายก็คือการไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ทั้งเพียงแต่ว่าจะได้ร่างกายดีกว่าเก่าหรือไม่ดีกว่าเก่าก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทําไว้แต่พอเวลาตายแล้วมันไปทําอะไรไม่ได้แล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราทําแต่ตอนขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราอยากจะได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเก่าก็พยายามทําบุญให้มาก ทำบาปแค่น้อยหรืออย่าทำเลยแล้วรับรองได้ว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนร่างกายจะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าเสมอไปเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด